เทศอบรมพระวันที่ส6หเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525ยหเทศกันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เทศประสานโลกประสานธรรมดีมากไปตลอดจนจบกัน เป็นคติดีมากเทศเรื่องศาสนาเจริญเจริญที่ใจโลกเจริญหรือเสื่อมหมายถึงใจเป็นสำคัญเทศอวกาศของโลกอวกาศของจิตของธรรมเรื่องอดอาหารผ่อนอาหารเกี่ยวกับการภาวนาถ้าถูกจริตก็ควรดำเนินไปตามจังหวะ ถ้าไม่ถูกกับจริตก็ควรหยุดฟังและอัดได้ทั่วไปเป็นคติทั้งทางโลกทางธรรมตอนพูดก็อัดได้ทั่วไปคําว่าศาสนาเจริญเช่นเ จ, เจริญในครั้งพุทธกาล ศาสนาเจริญที่ใดก็ตามตามความจริงความเจริญของศาสนาแล้วเจริญที่จิตใจของคนจิตใจของพระของพุทธบริษัทมีความเชื่อค ว, ความเคารพความเลื่อมใสความสนใจความบุสาพยายามปฏิบัติต่ออัดต่อธรมตาม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 นั้นอยู่ที่การเรียนเพื่อการปฏิบัติในครั้งพุทธกาลส่วนมากพุทธบริสัทว์ทฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นศาสนาก็ค่อยขยายออกไปเพราะ พระสาว o k ทั้งหลายรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้ายาุคศาสตรศาสนาเจริญภายในใจของท่านอย่างสมบูรณ์แล้วก่อนแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าไปในตัวพระองค์ก็ทรงทำหน้าที่ระสาวกก็ทำหน้าที่ศาสนธรรมเพื่อความเข้าใจ โดยถูกต้องเช่นเดียวกับพระองค์เรืองต้นศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเต็มที่ในพระพุทธเจ้านับแต่ขณะที่จัดสรู้แล้วขึ้นมาจากนั้นก่อนกระแสะแห่งธรรมก็กระจายออกไปสู่บรรดาสัตว์ที่ให้ชื่อว่าพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้น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 ก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันองค์นั้นผู้นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นั้นผู้นั้นสำเร็จพระศะกิภาคาองค์นั้นผู้นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นหรือผู้นั้น สำเร็จพระรหัสกรหันเพราะคารวาสก็มีทางสำเร็จได้เช่นเดียวกับพระเราเช่นสัน ต, ติมหามาตย์ะนางเทมาเป็นต้นนี่ศาสนาเจริญเต็มดวงใจของพระสาวกจากนั้นก็เป็นภาษาวิกาคือเจริญเต็มดวงใจ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 แล้แนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รับความเข้าเข้าใจแพ่กระจายแห่งความกว้างขวางและความเจริญทางด้านจิตใจจากธรรมของพระพุทธเจ้าไปอย่างมากมาย ท, าท่านจห็ว่าศาสนาเจริญเจริญด้วยการประพฤติปฏิบัติเรื่องมาจากการได้ยินได้ฟัง จเจริญด้วยมรรคคือการปฏิบัติจเจริญด้วยผลคือสิ่งที่พึงได้รับเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นกันิญาณปุตชชนจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคืออรหัตตธรรมนี่เรียกว่าศาสนาจเจริญคือจเจริญจริงจริงเหมือนกับเงิน ในธนาคารมีตามบัญชีนั้นไม่คลาดเคลื่อนไม่สักแต่ว่ามีอยู่แต่บัญชีแต่เงินหาไม่ได้ในธนาคารนั้นเช่นนั้นทั้งผู้การบัญชีเงินกับตัวเงินถูกต้องไม่เคลื่อนคลาดบัญชีว่าอย่างไร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 มักจะกลายเป็นแต่ว่ามีแต่บัญชีแต่ตัวเงินไม่มีมีหน้ำซ้ำยังสร้างความรบกรุงรังไว้ในธนาคารเจนสะสางไม่หวาดไม่ไหวไม่เพียงแต่เงินไม่มีธนาคารเท่านั้นยังสร้างปัญหาไว้อีกมากมายมีการจดจำเรียนเรียนรู้ต่างๆในข้ออัดข้อทา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 ท้ายก็มีแต่บัญชีดีชั่วกิเลสปัญหาอาสวะและอัรรมอยู่ในความจดจังเพียงเท่านั้ น, นส่วนกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆก็สนุกสร้างปัญหาขึ้นภานจในจิตใจให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายเช่นเดียวกับคนที่ไม่ได้ศึกษ า, าเรียนศาสนาอัตถมอะไรเลยและยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกอยังสร้าง ท, ที่มานะเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดตามอัดตามทำก็ยิ่งเป็นปัญหาที่มากมูลยิ่งกว่าคนที่ไม่ไศึกษาอัดทำเป็นไหนเสียอีกโดยเหตุนี้คำว่ า, าศาสนาเจริญให้พืนนึกน้อมเข้าสู่ใจที่เวลานี้กำลังอาภาัพพูดถึงอัดถึงทำในข้อใดขั้นใดภูมิใด ยังไม่ปรากฏจาได้แต่ชื่อโซดาสกาีทาอนาคาอารารหันเราก็ได้ยินแต่ชื่อใจของเรายัางว่างนี่ใจนี่ซึ่งเทียบวัฒนาคารแต่มันกลายเป็นเรือนของกิเลสไปเสียกิเลสเป็นพื้นอยู่ภายในใจนั้นกายเป็นเรือนของกิเลสรังของกิเลส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 หรือได้สางซาเบาบางลงบางหรือเบาบางลงจนโดยลำดับจนกระทั่งหมดสิ้นไปเพื่อทรงอัศสมธรรมขั้นต่างๆตามที่ท่านแสดงไว้นั้นจึงต้องพยายามอุตสาวระพฤษปฏิบัติกาจัดสิ่งที่เป็นไทยทั้งหลายโดยวิธีการต่างๆหรืออุบายต่างๆเต็มชติกำลังความสามารถ เพื่อใจนี้จะได้กลายเป็นเรือนอัดเรือนธทรำรเต็มไประดมักด้วยผลขึ้นมาโดยลําดับําดาได้ยินแต่ชื่อท่านสําเร็จพระโสดาก็ให้ได้ยินตัวชื่อของเราให้ทราบตัวของเราได้สําเร็จท่านสาเร็จสกีทาก็ให้เราได้สําเร็จด้วยการปฏิบัติของเราท่านสําเร็จอนาคาก็ให้เราได้สําเร็จ ให้ได้มีส่วนท่านสำเร็จอรหัสรหรันก็ให้เราได้สำเร็จให้ได้มีส่วนกับท่านเป็นผู้หนึ่งในวงาศาสนาด้วยการปฏิบัติของเราอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียคนทั้งคนเพราะคนคนนี้นั้นได้มาจากสมมุติได้มาจากบุญวาสนาที่เราก่อสร้างมาเราจรึงได้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 ศาสนาไม่เจริญขึ้นภายในใจของเราคำว่าสมาธิจะไม่มีที่ใดเจริญจะเจริญขึ้นที่ใจสมาธิขั้นใดก็จะเจริญขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติจิตภาวนาปัญญาขั้นใดก็จเจริญจะเจริญขึ้นที่ใจของผู้ชอบคิดอ่านไตรตรองพินิ์พิจรารณา จนถึงปัญญาอันละเอียดแหลมคมดังที่ท่านกล่าวไว้ในตำหนักตำลาว่ามหาสติมหาปัญญาก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเกิดขึ้นที่ใจของเราผู้พยายามพินิจพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วกลายเป็นสติปัญญาที่แก้วกล้าขึ้นมา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 แลมคมขนาดไหนซึ่งแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วกับสติปัญญาประเภทนี้นี่เอาให้าศาสนาเจริญตรงนี้เมื่อาศาสนาเจริญตรงนี้แล้วจะถูกต้องเหมาะสมตามความมุ่งหมายของธรรมด้วยจะสมความมุ่งมากปรารถนาของเราทั้งหลาย ผู้ต้องการความสุขความเจริญอย่างแท้จริงตามหลักธรรม้วยไม่ถึงขั้นที่กลามาเหล่านี้ก็ตามท่านก็เรียกาศาสนาเจริญคือเจริญไปตามขั้นตามภูมิของผู้เคารพเพื่อใสผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจนเชื่อบาป บ, บาปมีพยายามระวังบาป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 ให้เจริญอยู่คงเส้นคงวาและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้เชื่ออับเชื่อธรรมย่อมเชื่อบุญเชื่อบาทย่อมเชื่อนรกสวรรค์เพราะเป็นเรื่องเป็นไปจากกรรมคือเชื่อกรำได้แก่การกระทําของตนพระพุทธเจ้าตรัสาศาสนาไว้ถือหลักกรรมเป็นสําคัญของสัตว์โลกเพราะ ตางก็ทําอยู่ด้วยกันไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ปีศานประเภทใดๆมีการทํากรมอยู่ด้วยกันเท่านั้นเป็นแต่เพีงสัตว์เหล่านั้นไม่ทราบว่าตนทํากรรมผลนั้นจะทราบหรือไม่ทราบก็ต่าง ต, ต้องเป็นผลดีผลชั่วตามการกระทําอยู่โดยดีนี่เราเป็นผู้เชื่อกรรมพุทธบริษัทเป็นผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมย่อมจะเชื่อในบาปในบุญ เชื่อในนรกสวรรค์จนกระทั่ ง, น, งนิพพานแล้วยาายมละเวน้นสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยตามหลักธรรมนั้นด้วยความเชื่อของตนและพยายามบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เจริญมากมูลขึ้นภายในใจเช่นเดียวกันนี่ก็เรียกว่าศาสนาเจริญ คนที่มีใจได้รับการอบรมจากอัดจากธรรมด้วยความเชื่อความนิสใสยอย่างแท้จริงตามธรรมแล้วย่อมระบายออกในสิ่งที่งามหูงามตาไม่แสดงทั้งแก่ตนและผู้อื่นแสดงในอกักกับกิริยาใดย่อมเป็นไปเพื่อสิริมงคลเป็นไปผิดความยึดเป็นไปเพื่อความยึดถือจากคนอื่นเป็นคติตัวอย่างแก่คนอื่นลื่อยๆไป ตั้งแต่วงแคบจนมาทางังถึงวงกว้างไม่มีสิ้นสุดเรียกว่ า, าศาสนาเจริญจเจริญที่ใจแล้วย่อมสแสดงออกมาทางกายทางวาจาคือความประพฤติการพูดจาตาสายัยมีมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีหลักความถูกต้องเป็นที่ยึดเป็นเครื่องดำเนินเรียกว่ า, าศาสนาเจริญ เมื่อต่างคนต่างเป็นผู้ได้รับการอบรมและอบรมด้วยความเชื่อความโลมใสในศาสนาแล้วย่อมจะระบายออกในสิ่งใดด้วยความมีเหตุมีผลและเป็นความหนักแน่นในกิริยาแห่งการพูดการทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะเชื่อกำมอาการที่แสดงออกใดๆย่อม เป็นเรื่องของกรรมพร้อมที่จะให้ผลทั้งดีและชั่วอยู่เสมอผู้เชื่ออัดเชื่อทมจึงต้องระมัดระวังและมีความจงใจในการระบายออกและการกระทาทุกแห่ทุกมุมให้เป็นไปตามครองอัดครองทมที่จะเป็นสิริมงคลแก่ตนและเป็นความสงบสุขแก่ตนตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองนี่เรียกว่าศาสนาเจริญ ศาสนาเจริญอย่างนั้นอันนี้ศาสนาเสื่อมเป็นอย่างไรเราก็ทราบอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็อธิบายถึงเรื่องมีแต่บัญชีในธนาคารเงินไม่มีมีแต่ความจดจําได้มีแต่การศึกษาได้ยินได้ฟังจากผู้นั่นผู้นี้จากตํำรับตําลาแต่จิตใจไม่ซึมซาบถึงตึก ถ, ถึงถัมไม่เชื่อไม่เคารพไม่เรื่มใส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 ก็ต้องเมื่อมีผู้ถามก็ต้องบอกว่าถือศาสนาพุทธเห็นทั้งๆ ท, งที่ความจริงของพุทธนั้นคือท่านสอนว่าอย่างไรไม่รู้นี่เรียกว่านับถือเฉยๆเห็นพระพุทธเทจ้าก็คารพกราบไหว้แม้แต่นักโทษในเรือนจำเขาก็คารพแต่การกระทำของเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งอืม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 เพราะเป็นค่าศิกการกระทำนั้นเป็นค่าศิต่อศาสนาแล้วก็เป็นค่าศิต่อตนเองด้วยเหตุ น, นี้การนับถือศาสนากับการปฏิบัติตามศาสนานั้นจึงต่างกันการปฏิบัติตามจะเป็นเพศใดวัยใดก็ต่างควรที่จะรักษาตนด้วยอดด้วยทาในแง่ใดข้อใดก็ปฏิบัติเช่นอย่างคารวะ ควร ม, มีศีลห้าอ้ามหักไม่ได้หมดก็ขอให้ได้ในข้อใดข้อหนึ่งเป็นความสัดความจริงแตส่วนมากคนเราถ้าลงได้เชื่อตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงแล้วทําได้ทั้งนั้นเช่นศีลห้าตัวไหนที่สุดวิสัยของความเชื่อเราไปศีลข้อไหนที่สุดวิสัยของความสามารถเราไป ปานาอาธินาการเมมุสาสุราสิลเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเครื่องรักษาเราให้เป็นคนดีต่างหากไม่ใช่เป็นค่าสิทธิ์ต่อเราที่จะทำไม่ได้การทำไม่ได้ก็เพราะอำนาจแท่งฝ่ายต่ำมันมีความหนักแน่นหรือดุนแรงมากกว่าสินงทำที่จะเท่าแทก เข้าสู่ใจได้เท่านั้นชาวพุทธเราจริงไม่อาจที่จะรักษาได้แม้แต่ศีลห้าก็าไม่ได้ยังฝ่าฝืนต่อหน้าต่อ ต, อตาพุทธศาสนาทั้งๆ ท, ที่ตนก็เป็นชาวพุทธประกาศอย่างออกเนื้อออกตัวอยู่คนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่ว่าเราก็ชาวพุทธแต่ขั้นแล้วการกระทำก็เป็นข่าศึก ต่อตัวเองและเป็นค่าสิทธ์ต่อชาวพุทธด้วยกันและเป็นค่าสิทธ์ต่อพระพุทธศาสนาโดยเจ้าตัวไม่ได้สนใจชิดประการใดบ้างเลยถ้ามีการนับถือแล้วาศาสนาเป็นเครื่องสั่งสอนคนให้มีความสงบร่มเย็นโดยแท้และหลักความจริงของาศาสนาก็เป็นเช่นนั้นไม่เคยให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และไม่เคยทําผู้หนึ่งผู้ใดให้ร้าวรานหรือสังคมใดๆให้ร้าวรานนับตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่จะสมัครสมานได้ด้วยอดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําสิ่งต่างๆให้แตกแยกหรือบุคคลผู้หวังดีให้กลายเป็นผู้ชั่วช้าหลามกเสียหายไปหมดเพราะการนับถือและการปฏิบัติตามศาสนธรรมเลย่ขณะที่โลกเกิดความ รุ่มร้อนไปทุกหย่อมหญ้าเวลานี้ก็เพราะความเหินห่างจากศีลธรรมของจิตใจมนุษย์เรานั่นแหละเมื่อจิตใจได้เหินห่างจากาศาสนธรรมในขณะเดียวกันความใกล้ชิดติดแนบกับสิ่งที่ชั่วช้าลามกที่จะทำให้เกิดความเสียหายไม่มีประมาณนั้นก็จะเริญยิ่งขึ้นภายาจิตใจ เป็นท่านสอนมาให้เป็นปานาไมให้ค่าไมา่ทําลายซึ่งกันและกันนอกจากนั้นยังมีเมตตาอีกด้วยแสงเข้าไปถ้าเรียกว่าเบญจศีลเบญจธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนปานาให้เด่นแล้วให้ศีลข้อนี้สมบูรณ์ขึ้นเพราะความเมตตาเป็นเครื่องสนับสนุนแต่กลับกลายเป็นความโหมดร้ายเข้าแทนที่ศีลข้อนั้นเสียโลก จึงทําความพินาศคิบหายแก่กันได้อย่างหน้าตาเฉยเพราะหมดคุณสมบัติในทาข้อเหล่านี้ภายในใจข้ออื่นก็เช่นกันเช่นเดียวกันคุณอธินาทานก็เพราะความโลภความอยากได้อันเป็นเรื่องของกิเลสอันเป็นเรื่องทาลายสมบัติของคนอื่นจิตใจของคนอื่นจำนวนไม่มีประมาณ มันมีกําลังรุนแรงเพียงต้องฉกต้องลักต้องต้นต้องสะดุนไม่เพียงแต่ว่าไม่มีอยู่มีกินอดอยาขาดแคลนจริงหาที่จินหาที่ใช้สอยไยไม่ได้เลยเป็นความจนกรอบจนมุมกินเช่นนั้นแต่มันเป็นนิสัยสันดานของคนที่มีจิตใจต่ชาช้าด้วยสิ่งโสกโปกโซมมหรือสิ่งเลียวซามทั้งหลายครอ บ, อ บ, อบงมเป็นอํานาจเหนือจิตใจนั้น อย่างบอกไม่ถูกต่างหากเจิงได้ทำกันได้โดยไม่คํานึงถึงความเสียหายทั้งสมบัติและจิตใจของผู้ใดก็าตามขอให้ได้อย่างดีงเป็นพอนะไม่ว่าข้ออื่นใดๆการเมสุมิชฉาจาร์ก็เหมือนกันถ้าเลางไม่มีทำแล้วมันก็ยิ่งก่อดั์มันทำได้ทั้งนั้น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 ถ้าลงไม่ได้มาคิดในแง่นี้แล้วคิดมันก็ต้องคิดไปในแง่สนุกสนานรืดเริงบันเทิงดีไม่ดีก็อวดดิบปวดดีไปในทางนั้นเสริมสิ่งที่ต่ำาตามให้มีอำนาจมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายความระประเทือนการทำลายจิตใจและบุคคลผู้ใดทั้งนั้นโลกจะไม่ร้อนได้อย่างไร เมื่อศีลธรรมไม่มีภานาใจของชาวพูดเก่าแลว้วโอหกสุราก็เหมือนกันพูดได้สะดวกสบายไม่คิดว่าการพูดการโกหกนั้นจัดเกิด ค, ความเสียหายแก่ผู้ใดพูดได้โกหกได้หอคนอื่นแค่จะจนขนาดล่มจมมีมากอย่างที่พวกนักต้มนักถุนนักกลมายา หาอุบายด้วยวิธีการต่างๆที่จะทำคนอื่นให้ทิพไายบายป่วงทั้งทรัพย์สมบัติและจิตใจจนกลายเป็นวิกลวิการใบบ้าไปได้เพราะกลมายาแห่งความต้มตุนหลอกลวงนี่มีมากไม่หนอยเพราะความหน้าด้านหาความละอายไม่ได้ยิ่งกว่าสัตว์นั่นเองพูดถึงสุรา สุราใครๆก็ทราบแม้แต่เด็กก็ยังทราบว่าเป็นของเหมือนเมาเป็นของไม่ดีเหตุใดมนุษย์ดาวจึงต้องส่งเสริอมเมาหนักหนาจนเป็นเนื้อเป็นหนังยังออกหน้าออกตาไม่ว่าสถานที่ใดเช่นสังคมถ้าไม่มีสุราไปเป็นสิ่งออกหน้าออกตาแล้วสังคมนั่นเหมือนกับ ไม่ใช่สังคมมนุษย์สังคมผู้มีเกียรติเลยเห็นไปว่าสังคมที่มีสุรานั้นเป็นสังคมที่มีเกียรติเป็นสังคมที่ชมเชยและยอมรับกันทั่วแดนสังคมนี่คือการลบล้างสาตธิธรรมอันเป็นความผิด มากน้อยเพียงไนแต่สังคมได้ ย, ยอมรับสุรายาเมาพูดในง่ากก็คือน้ำบ้านั่นเสังคมนั้นก็ชมเชยกันในเรื่องความเป็นบ้ากันทำงา น, นการสังคมกันไม่มีสุรายาเมา <c oughs> สิ่งไม่ดีทั้งหลายสิ่งตำช้ า, ชาเหลือสาทั้งหล เข้าไปแทรกเข้าไปเป็นเจ้าหน้าเจ้าตามันไม่เป็นสังคมเลือเราพิจารณานี่แหละไฟต่ำมันเป็นเช่นหน้มันครอบหัวใจมนุษย์เสกสรรปันยอสิ่งที่ไม่ดีว่าดีขึ้นมาลบล้างสิ่งที่มีตามหลักความจริงนั้นให้เสียหายไป เป็นไปไดาเชนีนี่ที่กรารมลนีใครจะไม่รู้ในศีลห้าข้อนี้ชาวพุทธเราก็ชาวพุทธเราเองเป็นผู้ทรรมเป็นผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้เป็นมารเป็นผู้สังหาราศาสนธรรมและตนตลอดส่วนรวมทั่วๆไปให้ชิดพายวายปวงไปด้วยความรู้อยู่นี่แหละ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 ถ้าลงไม่มีทำเข้าแทรกติดใจเป็นเครื่องกั้นกลางห่งห้ามในสิ่นต่างชาเลยสามทั้งหลายแล้วคนทั้งคนจะเหลือแต่ร่างกระดูกหนังหอกกระดูกเท่านั้นแม้จะเสกสรรปั้นยอกันไมาความสุขความจเจริญมียศถาบรรดาศักย์อะไรก็ตามก็เป็นศักแต่ว่าลมปากเป่ากันไปเป่ากันมาเท่านั้นอืมเอิบเงากันเท่านั้นหาความกลิ่นไม่ได้หากมีศาสนธรรมเข้าแทรกเข้า ภายในจิตใจในความประพฤติการระบายออกแล้วจะเห็นเป็นความชุช่มเย็นขึ้นมาทันทีไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองเข้าของเป็นจำนวนล้านล้านคนที่มีศีลมีธรรมนั่นแหละเป็นคนที่เสาะแสวงหาความสุขความเจริญได้โดยถูกต้องและสมหวังผู้นั้นแลเป็นผู้มีความสุขมากยิ่งกว่าผู้ที่ไม่มีศาสนาเลย ทั้งๆ ท, ท, ที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของมากมายเศีงนั้นไม่ใช่ที่จะมาปลดเปื้องที่จะมาแก้ทุกข์ทางหัวใจของโลกให้สงบร่มเย็นไปได้เลยนอกจากศีลธรรมเท่านั้นเพราะศีลวันั้นเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมสำหรับคนชะละให้นํามาใช้ตามความต้องการของตนแล้วเกิดความถูกขึ้นตามฐานะของสมบัตินั้นๆจะพึงอํานวยให้เท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะซุมทราบเขาถึงจัดจิตใจให้เกิดความชุ่มเย็นไปได้ถ้ายิ่งไม่มีอัตมีธรรมแฝงอยู่ภายใน จ, จิตใจด้วยแล้วรสมัดเงินทองเข้าของจะมีมากเพียงไรก็กลายเป็นยาพิษเข้ามาสังหารตน เ, ตนเองให้ทิายผลปีไปทั้งๆ ท, งที่ลมหายใจยังมีอยู่นั่นแหละนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรจะเลย เราจะพูดถึงวัตถุเจริยวัตถุมาจากไหนวัตถุเหล่านี้ก็มีออกมาจากธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟเช่นแร่ธาตุต่างๆเป็นปูกบ้านปูกเรือ น, ข, นขึ้นกี่ชั้ น, นกี่ห้องกี่หับถนนน้นทางจะให้กว้างให้แคบลาดยางลื่นไปหมดก็ตามสิ่งวันนี้คืออะไรมาจากอะไร มาจากเด็กจากปูนจากอิฐจากทรายจากธาตุสีดินน้ำลมไฟหากว่าสิ่งเหล่านี้จะทําคนให้เจริญได้จริงจะรับความสุขสมกับความที่ว่าโลกเจริญจริงๆแล้วเราเหยียบย่ําไปที่ไหนก็มีแต่ธาตุต่างๆดินน้ำลมไฟไปหมดในบ้านเราก็มีในที่อยู่เราก็มีพวกเหล็กพวกปูนพวกอิฐพวกทรายซึ่งเป็นแร่ธาตุต่างๆรวมแล้วเรียกว่าธาตุดิ ถ้าลงจิตใจหาความเจริญด้วยธรรมไม่มีขอบเขตเหตุผลเป็นเครื่องนำเนินแล้วอะไรจะเจริญก็เจริญถึกแต่หัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเ้าร้นอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความเจริญไม่ได้แต่หาที่ปรงที่บางที่วางไม่ได้จนกระทั่งวันตายอะไรจะเจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้าศาสนาไม่จำเป็นจะ อ, อะไรจาเป็น เมื่อโลกทั้งหลายต้องการความสุขความเป็ลินโดยทางที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วจานนี้หลักทำไปไม่ได้เลยอันเป็นอันเรื่องของกิเลสนั้นมันไม่ทําใครให้มีความสุขความสบายได้เลยมีแต่เป็นเครื่องร่อนิดๆเหมือนเหยื่อเสียบอยู่ลายเบ็ดเท่านั้นเป็นเครื่องล่อลาตัวงโง่เมื่อติดเบ็ดเขาแล้วเป็นยังไง พาตัวนั้นมาติดเบ็ดเขาแล้วเป็นงไงมันมีความสุขความเจริญอะไรแต่ก่อนมันมันหิวอยู่มันก็ยังไม่ทุกข์มากพอมาติดเบ็ดเข้าแล้วเป็นยังไงความหิวนั้นยังไม่มีกำมั น, นมีอำนาจไม่มีความทุกข์มากยิ่งกว่าเวลาติดเบ็ดอิตใจของคนก็นเหมือนกันของผู้มีศาสนาก็เช่นเดียวกันนั้นเมื่อายต่ำ ม, มันหลอก ต่างคนก็ต่างมีเต็มหัวใจนำจริงเหล่า น, นี้มาหลอกมาประโลมกันโฆษชนะชวนเชื่อกันทั้งๆ ท, ท, ที่หาความจริงไม่ได้ก็ยิ่งเป็นผู้ที่โง่อยู่แล้วเพรากิเลสพาให้คนโง่ทําไมจะไม่เชื่อง่ายในทางป่ายต่ำเรานี่ลหละที่ทําให้โลกมันเสียอยู่ทุกวันเข้ามาทุกแง่ทุกมุมเข้ามาทางไหนก็เยอมรับเยิม้มรับเยิม้มรับรับกันไปหมดรับกันมากน้อยเพียงไหรก็เผากันมากน้อยอย่างนั้น ถือว่าโรคเจริญเจริญทั้งทั้งที่เจ้าของหรือแต่ละคนนั้นกําลังจัดตาอยู่แล้วเรื่องความรุ่มร้อนแผเ่เผาพายาน จ, จิตใจปัญหาที่โปร่งที่วางไม่ได้ยังโคจรนายังว่าโลกจเจริญเจริญพิจารณาสิเรื่องจิตใจที่มันต่ําด้วยอํานาจของกิเลสปัญหาอสุบะมันหลอกคนได้ถึงขนาดนั้นไม่ยอมรับความจริงเลยนี่เราจะว่าโลกจเจริญ หรือโลกเสื่อมเป็นโลกหมายถึงอะไรถ้าไมหมายถึงจิตใจของแต่ละหลายหลายที่ครองโลกอยู่นี้การทำโลกให้เจริญนั่นก็เพื่อจะให้จิตใจเจริญเพื่อจิตใจจะได้อยู่สะดวกสบายเช่นส่วนร่างกายก็ะปูกบ้านปูเรือนหลังใหญ่ๆโตๆแล้วหัวฐานมีที่กันแดดกันฝนมีอาหารการบริโภคเป็นเครื่องบรรเทาเยียวยาก็เป็นความสุขนี่แล้วทีนี้ทางใจ มีอะไรเป็นเครื่องเยียวยามีอะไรเป็นเครื่องรักษาพอที่จะบรรเทาเบา บ, าบางทุกทั้งหลายลงบ้างมีความสุขความสบายหรือจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องบรรเทานอกจากเป็นปืิญเป็นไฟมาเผาลวมเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมเจงเป็นของจำเป็นธรรมชาติที่จําเป็นมากต่อจิตใจของแต่โลกเพื่อให้เหมาะสมกับขมโลกจเจริญโรคเจริญต้องหมายถึงจิตใจของผู้ครองโลกเป็นจิตใจที่จเจริญมีขอบมีเขตมีเหตุมีผล การสร้างอะไรขึ้นมาก็สร้างด้วยความฉลาดเพื่อให้ตนได้รับความสุข จ, จริงๆและผู้อื่นผู้ใดก็ตามให้ได้รับความสุขเช่นเดียวกับตนขึ้นชื่อว่าผู้มีอัตมีธรรมแล้วโลกเจริญจึงหมายถึงตรงนี้ glowing, เป็นหลักสําคัญศาสนาจึงมีความจําเป็นต่อโลกด้วยมาศาสนาจเจริญเจริญที่ใจเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะแผ่กระจายออกไปกลิ่นต่างๆ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 เวลานี้จิตใจทูทายต่าเยียบย่าทำลายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมาแต่พบชาติใดไม่ต้องนับเอาหลักปัจจุบันของผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยเพศของพระเวลานี้ไปช่างตววกับเพศคารวะของตนมีแตกต่างกันอย่างไรบ้างตั้งแต่เป็นคาวาะกลับมาเป็นพระผลที่ได้ในความเป็นพระซึ่งแต่ก่อนท่านถือว่าเป็นการประเสริฐเมื่อได้บวชในศาสนาแล้วพุตามหลัก สิ่งธรรมของเจ้าแล้วทรงมรรคทรงผลขึ้นมาท่านถือเป็นความประสรหรือนี้เราทรงอะไรหรือทรงแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความทอ้ทอแท้อ่อนแอทรงตั้งแต่จีเลศจีเลศมันเต็มอยู่แล้วความขี้เกียจขี้ค้านก็เพิ่มเข้าอีกความเห็นแต่ความเหนื่อยเมื่อยลาความทอ้อถอยอ่อนแอมันก็มีแต่เรื่องของจีเลศก็ยิ่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปเพิ่มขึ้นไ ป, เ, นไปเพิ่มขึ้นไปแทนที่จะถอดถอนจิเลศ มีสิ่งเหวนี้เป็นต้นออกจากภายในจิตใจให้เกิดความห้าวหาญในการประพฤติธปฏิบัติกรรมจัดสิ่งชั่วช้าละโมกทั้งหลายให้หมดไปจากไปทําไมมันจังกลับเป็นการเพิ่มขึ้นมาเช่นนี้ต้องคิดต้องอ่านนักปฏิบัติไม่คิดไม่อ่านไม่ได้มันยังไงก็จะต้องตายจมย่ตายจมเกิดจมไอเดชผงอะไรอย่น จิตใจถูกกดท่วงก็เช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถูกโลกดึงดูดนะเห็จิตใจของเราก็ถูกโลกคือกิเลสมันดึงดูดให้จมดิดขึ้นไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านดีดพระองค์ขึ้นและดีดองค์ของท่านขึ้นจนถึงขั้นอวกาศ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 เราขึ้นถึงคั้นอวกาศได้แจโลกุตระธรรมแดนแห่งพระิพานลึกแดนแห่งธรรมที่บบิสุดแล้วนัตผิเซโ ย, ยวาปาปิโยความยิ่งย่อนไม่มีอะไรต่างกันเลยนี่ท่านกล่าวไว้ขึ้นนั้นนูกปฏิบัติก็เป็นโอกาสอันดีอันเหมาะสมเวลานี้อุตสาพยายามปักเตืปฏิบัตินักก็ไม่ถอยเบาก็ไม่ถอยพินิพิจารณาเสมอ ระวังการสวมรอยของกิเลสการแทรกซึมของกิเลสจะแทรกอยู่ทุกระยะที่เราเผลอเมื่อไต้องสับยำเราเหมือนนั้นสวนเราเมือ น, นั้นสวนมะต้องระมัดหลวังสติเป็นของสําคัญพยายามเอาจริงออกจริงให้เห็นาศาสนาเจริญในครั้งพุทธการก่อศาสนาเจริญมี พระอริยบุคคลทุกประเภทสมณะสี่ประเภทสมณะที่หนึ่งโสดาปฏติมัสสมณะที่สองสักิทาคามะสสมณะที่สามอนาคามาัสสมณะที่สี่อรหัตธรรมัสอรหตผลนี่การปฏิบัติเพื่อทรงสมณะตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดศาสนาจริงไม่ผิดอะไรกับ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 สว่างสวัยภายในใจและเลิศภายในใจขึ้นมาแทนที่เป็ น, นปลำบากลำบากจนกลายเป็นว่าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพูดว่าธรรมก็แล้วพูดว่าใจก็แล้วเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐรู้อยู่ชัดเจนภายในความรู้ของตนหรือภายในตัวของเราเองไม่จําเป็นต้องให้ผู้หนึ่งผู้ใดามาบอกมาแนะว่าท่านในเวลานี้ท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วทำประเพณีนั้น ทำประเภทนั้นเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองด้วยกันไม่ว่าขัาง้งผู้ธิจากย์และสมัยปัจจุบันนี้ทำเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปไหนเลยมีจริงอยู่ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลขอให้ดำเนินทางเหตุให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังเถอดผลจะที่จะพึงได้รับนั้นจะไม่มีผู้ใดามารับแทนใจผู้ที่กําลัง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 วันนี้ได้ที่มาถึงเรื่องศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญอธิบายไปไหนก็ตามเถอะเราเป็นผู้ฟังเพื่อเราทุกๆุรูปทุกๆนามขอให้โอปัญญโกนน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราศาสนาใดจะเจริญกับผู้ใดก็ตามจะเสื่อมกับผู้ใดก็ตามไม่สําคัญที่จะเสื่อมหรือจเจริญที่ใจของเราศา ส, สนาเสื่อมที่เราเราก็เป็นผู้ยอมรับทุก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 ให้เราล่มจนลงประเดิมดับจึงควรเห็นภัยอย่างยิ่งกับสิ่งอันนี้ประจําใจมีสติเป็นอย่างเข้มงวดกดขันระมัดระวังเสมอสตินั้นแลจะเป็นเครื่องพยุงสตินั้นแลจะเป็นเครื่องรักษาเราให้ปลอดภัยไปได้ปัญญาแลเป็นธรรมชาติที่จะฟาดฟันคันแดดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายที่มีอยู่รอบใจและคอยที่จะแทรกจะแซงคอยที่จะเหยียบย่ำทําลายเราอยู่เสมอนี้ทํามันแตกกระจายไปด้วยปัญญาของเรานั้นแหล เนอาให้จริงเองอวากาศเหนือโลกเป็นอย่างไรอาวากาศของโลกที่ทราบกันอยู่นี้เราก็ทราบแล้วอาวากาศของธรรมเป็นอย่างไรและอวพูดอย่างอ่ะอวากาศของอิตเป็นอย่างไรให้รู้ที่นี่การปฏิบัติและวิธีการทั้งหมดที่จะอธิบายไ ป, น, ป น, นี้ ที่ผ่านมาแล้วกว่าดีปัจจุบันไม่ก็ดีก็แสดงถึงเรื่องวิธีการดำเนินจิตใจให้พ้นสู่อวากาศจากสมมุติโดยประการทั้งปวงอย่างประจักษ์ใจทั้งๆ ท, ท, ที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเอาให้เห็นให้จริงให้จังอย่าลดละความเพียรการอดนอนผ่อนอาหารท่านผู้ใด เห็นเหมาะสมกับจริตจิตใจของตนอย่างใดหรือวิธีการต่า ง, างๆแห่งการประกอบความเปล่าพเพี่ยนให้พึงสังเกตไม่งั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควรไม่ได้ผลคุ้มค่าเห็นว่าวิธีการใดเป็นที่ยังผลยังประโยชน์ให้เกิดคล่องตัวกว่าการกระทำทั้งหลายวิธีการทั้งหลายก็ให้พึงสังเกตแล้วให้พึงทำตามวิธีการนั้นถ้าทำอะไรไม่สังเกตจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร สัง เ, เกต่วนมากผู้ปฏิบัติมักจะดีทางอดอาหารผ่อนอาหารแต่ถ้าเราไม่ถูกก็ไม่ควรฝืนเพราะการอดอาหารไม่ใช่เป็นการทําลายกิเลสแต่เป็นอุบายวิธีการทําลายกิเลสโดยทางความเพียรคือยิตธภาวนาศรัทธาความเพียรต่างหากนี่เป็นอุปกรณ์เมื่อไม่เหมาะวิธีการนี้หรืออุปกรณ์อันนี้ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เอา หาวิธีใหม่ถ้าถูกแล้วก็อเหมาะอันนี้นำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรให้ผลรวดเร็วตะดังใจหมายมีหลักการปร ะ, ะกอบความเพียรจริงต้องในพิจารณาสังเกตอุบายแห่งความเพียรทุกแง่ทุกมุมสังเกตเสมอไม่อย่างนั้นไม่เข้าใจดำเนินไปสุม 4, สีุ่มห้าไม่ได้ดื้อต้องสังเกตตัวเองเสมออ่านอดหานตะอดไปหนา มันจะเป็นภัยนี้เป็นอันตรายนี่ทําให้เสียหายทางด้านธาตขันเราก็เป็นผู้รับผิดชอบทั้งป่ายธาตุขันและจิตใจเราจึงควรพิจารณาตัวของเราปฏิบัติต่อตัวของเราให้เหมาะสมเพราะกิเลสอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่กับกายมันอยู่กับใจแต่อาศัยกายเป็นเครื่องสนับสนุนเช่นการมีกําลังมากการภาวนาก็ไม่คล่องตัวอืดอาดหน่วยนายดีไม่ดีกิดหาความสงบไม่ได้ ผู้ที่มีความสงบแล้วกําลังดําเนินทางด้านปัญญาปัญญาก็ไม่คลื่องตัวพออดอาหารพ่ออาหารลงไปเนี่ยจิตก็สงบได้ง่ายปัญญาก็เครื่องตัวนี่เป็นเครื่องสนับสนุนกันหนังนี้แต่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติาที่ฆ่าขี้เด็ดเพราะการอดอาหารอันอนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนต่างหากผู้ที่จะฆ่าขี้เด็ดก็คือสติกับปัญญาจรัทธาความเพียร น, นี่เป็นวิธีการโดยตรง พึ่งสังเกตตัวเองแสดงตามความเห็นมาสักน่อรู้สึกหน่อย